ความเชื่อนี้มีสองแบบความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องคือความเชื่อที่ถูกต้องก็คือเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเชื่อที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าเชื่อแบบงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลเช่น ไม่สบายก็จะมาขอฝากเป็นลูกให้พระเป็นลูกพระแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บมันหายยังไงพระยังเป็นเลยพระยังยังแก่เจ็บตายเหมือนกันนะช่วยมาฝังให้เป็นลูกของพระแล้วจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องงมงายไม่ใช่เหตุใช่ผล ควรจะไปฝากเป็นลูกหมอจะดีกว่าหมอเป็นคนรู้จักรักษาโาครคภัยไข้เจ็บใครไม่สบายควรจะฝากไปฝากตัวเองไปเป็นลูกหมอได้อยู่ใกล้หมอหมอเขาก็จะได้คอยดูอาการว่าเป็นอย่างไรปวดหัวปวดศีรษะปวดอะไรต้องใช้ยาแบบไหนนี่เรียกว่า เชื่อแบบมีเหตุมีผลอย่าไปเชื่อแบบงมงายบางทีใครเป็นอะไรก็มาขอให้พระแก้ให้พระแก้ไม่ได้หรอกลูกติดยาเสพติดก็จะไม่ให้พระแก้ให้มันมันเป็นไปไม่ได้คือสอนได้บอกได้ว่าอย่าเสพยา แต่ถ้าเขาไม่เชื่อมันก็ไม่มีวันหายจะจะเลิกเสพยาก็ต้องหยุดอย่าไปเสพอย่าไปอยู่ใกล้ยาเยี๋ยวไปอยู่ใกล้กับคนที่เสพย า, เ, าเดี๋ยวมันก็หายเมื่อไม่มียาเสพมันเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่มีเสพมันก็เลิกเสพได้อยู่ที่ว่ามันจะทนได้หรือเปล่าอา๋อ อยู่ห่างไกลจากยาแต่เวลาเกิดอาการทรมานใจขึ้นมาทนไม่ไหวก็อาจจะกลับไปหายามาเสพก็ได้การมาฝากพระนี้ฝากให้ไปนิพพานได้อยู่ใครอยากจะไปนิพพานนะ่ยมาฝากพระได้ใครอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลเนีเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์นี่ไปฝากกับพระพุทธเจ้าได้เนี่ยไปฝากกับพระอรหันต์ได้เนี่ยลูกของพระพุทธเจ้าเนียอายุหกขวบมาขอสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยจับบวชเลยเอกสมบัติของเราก็คือมรรคผลนิพพานเยมรดกของเราจับบวชตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบนั่นนะ แล้วก็บวชไม่เสร็จในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าต้องการอะไรจากพระก็พระก็มีมีแต่มรรคผลนิพพานให้เท่านั้นถ้าเป็นพระที่มีมรรคผลนิพพานนั่นก็จะให้มรรคผลนิพพานถ้าเป็นพระที่มีเลขมีหวยท่านก็จะให้เลขให้หวย พระสมัยนี้ก็มีหลายรูปแบบบางท่านกันก้าใหา้ให้อะไรต่างๆที่เราอยากได้กันบางคนมไม่มีลูกก็อยากได้ลูกก็ไปขอพระขอจากพระในโบสถ์ก็มีโบทถ์วัดยาเ น, นี้ยมีคนเคยมาเล่าให้ฟังว่า แต่งงานกันมาหลายปีแล้วไม่มีลูกสักทีพอคนเขาแนะนำให้ไปขอจากพระในโบสถ์ไม่กี่วันก็ได้แล้วศักดิ์สิทธิ์มากส่วนคนที่ไปขอแล้วไม่ได้ก็ไม่มีใครมาพูดมาบอกนะเพราะว่ากลัวบาปเนีย แต่ถ้าขอเราได้นี้จะโอยมาปัดมาประกาศมาบอกมาเล่ากันคนที่อยากได้อะไรก็คิดว่าก็เลยเชื่อกันเชื่อว่าอยากจะได้อะไรก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คนอยากจะเรียนหมอก็ไปขอบางคนอยากจะเข้ามาาอะไรก็ไปขอคนเพิ่งเปิดธุรกิจก็อยากจะให้สาเร็จ ก็มาขอเมื่อเช้านี้ก็มาขอจะทำธุรกิจใหม่ขอพรนะขอให้สำเร็จ น, ะนี่มันขอแล้วมันได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แะแต่ขอให้ได้ขอแล้วขอให้ให้พรหน่อยเขาเขาก็ดีใจนะขอให้สำเร็จนะขอให้เป็นไปตามความปรารถนา คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเถินเนี่แค่นี้ก็สาทุกันล้นหัวแล้วแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะบางทีฟลุกอาจจะได้ก็ได้จังหวะเวลามันจะได้มันก็ได้ทําไมประเทศที่เขาเจริญกับเราที่เขาร่ํารวยกับเราเขาไม่ต้องมาขอพระแล้วนะใช่ ไ, ไหมเขาก็ทํากันไปด้วยเหตุด้วยผล จะทำอะไรเขาก็ดูตลาดก่อนจะทำค้าการค้าขายอย่างไรเขาก็ต้องดูก่อนว่ามีคนต้องการสินค้านี้หรือเปล่าถ้าไม่มีคนต้องการสินค้าขายไปก็ขายไม่ออกถ้าเป็นสินค้าที่คนต้องการโอมันก็ขายดีขายดีเขาถึงมีการศึกษาก่อนบริษัทที่เขาจะลงทุนทำอะไรนี่เขามีการศึกษาความเป็นไปได้ ว่าลงทุนแล้วจะได้ทุนคืนหรือเปล่ามีตลาดรองรับหรือเปล่าไม่ใช่นึกอยากจะทําแล้วก็ทําไปแล้วก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่อยู่ในเหตุในผลถ้าไม่มีใครต้องการสินค้าไม่มีใครต้องการการบริการของเราขายไปก็ขายไม่ออก แจกฟรีก็ไม่มีใครอยากได้เห็นมไหมหนังสือธรรมะเนี่ยถ้ามาขายของเจ๊งเนี่ยแต่ถ้าแจกฟรีนี่คนยังไม่ค่อยอยากได้กันนะเลยต้องแจกฟรีเพราะว่าถ้าจะหวังค่าขายจากการขายหนังสือคิดว่าคงเจ๊งแต่ถ้าขายหนังสื อ, อยังอื่นอาจจะกําไรน หนังสือสิ่งที่คนก็ต้องการอ่านกันต้องการดูกันถ้าขายแล้วแย่งกันซื้อฉะนั้นจะเชื่อถอยเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่อด้วยความงมงายแบบกระตายตื่นตูมฮะกระตายนอนอยู่ใต้โคนต้นตาลลูกตาลหล่นตกลงมาทำให้เสียง สั่นสะเทือนอยู่ใกล้ตัวก็ตายตา ย, ต, ายตื่นตกใจขึ้นมาคิดว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหววิ่งตลอดเปิดเปง เ, เลยไม่คิดดูก่อนไม่ตรวจสภาพดูก่อนว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่พอคิดว่าเป็นอะไรก็เชื่อขึ้นมาแล้วพอวิ่งไปแบบแบบตื่นตนกตกใจสัตว์อื่นเห็นข้าวก็ถามว่าเป็นอะไร ก็บอกว่าแผ่นดินไหวโอ้ oh, ตัวอื่นก็เชื่อตามวิ่งกันจ้าละวันวิ่งไปวิ่งมาไปเจอราชสีราชสีนี่เป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวพอเจอก็เลยถามว่าไปไหนกันวิ่งเตืนตนกไปไหนกันพวกกัตายก็บอกว่าแผ่นดินไหว ราตศรีเป็นคนมีเหตุเป็นสัตว์มีเหตุมีผลก็ถามว่ามันไหวตรงไหนพาไปดูหน่อยสิออกะตายมันก็กลัวทั้งสองอย่างราชสีก็กลัวแผ่นดินไหวก็กลัวจะไม่กลับไปก็ไม่ได้ก็เลยเมื่อถูกราชสีบังคับก็เลยต้องกลับไปพาไปดูที่ที่เกิดแผ่นดินไหวราชสีเดินดูก็เห็นมีลูกตาลหล่นอยู่ลูกหนึ่ง นอนตรงนี้ใช่ไหมอนอนตรงใกล้ๆลูกตานี้ไหมัดนมันหล่นลงมามันก็เสียงดังเลสั่นสะเทือนอนี่ยคือเหตุผลอย่าไปเชื่อแบบ เ, เขาว่ากันมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงสอนไม่ให้เชื่อสิบประการด้วยกันในการละมาสูตรการลามาสูตรนี้พระพุทธเจ้า ทรงตัดสอนว่าไม่ควรเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่ผลเช่นอย่าไปเชื่อเพราะเขาพูดกันว่าเป็นอย่างนั้นเขา ล, ล่ําเลยกันว่าเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปเชื่ออคําว่าเชื่อนี้ไม่ได้หมายคำว่าไม่เชื่อนะคือให้ให้พิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงอย่าไปเชื่อแบบไม่มีการพิสูจน์น ให้เชื่อให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนใครเขาว่าอะไรจะเกิดบางคนนี่เตื่นตหนกกันถ้ามีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้โลกจะถล่มนี่บางคนก็ โ, โหยตื่นตกใจกันใหญ่บางคนก็ทํานายว่ากรุงเทพน้ําจะท่วมโอโ้คนรีบหนีไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดกัน mm. อันนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือสิ่งที่มันเชื่อได้มีคนยืนยันว่าจะต้องเกิดเช่นเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องเตือนภัย ส, สินามิสุนามิเวลาเกิดแผ่นดินไหวเขาเริ่มประกาศบอกระวังนะอาจจะมีขึ้นยักษ์มาถ้าอย่างนี้มันก็พอที่จะเชื่อได้หรือเป็นเป็นสิ่งที่เขา ได้พิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนั้ น, นเป็นจริงเช่นเชื่ อ, อกรมอุตุนิยมวิทยานี้ก็พอเชื่อได้เขาบอกว่าพรุ่งนี้อากาศจะร้อนจะขึ้นกี่องศาพรุ่งนี้อากาศจะหนาวจะลงกี่องศานี่ยแล้วพอไป ด, ดูตามที่เขาพูดมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขามี เขามีประสบประการเขามีประวัติศาสตร์ที่ดีว่าสิ่งที่เขาทำนายแล้วมันไม่มันตรงกับที่เขาทำนายอย่างนี้ก็น่าจะเชื่อเขาถ้าเขาบอกเพกิ่งนี้น้ำจะท่วมนีเราก็จะได้รีบเตรียมตัวกันฝนจะตกหนักน้ำอาจจะท่วมได้นั่นมันก็เป็นไปตามที่เขาพูดให้เชื่อแบบนี้อย่าไปเชื่อแบบที่ไม่มีหลักฐาน มายืนยันเพราะจะถูกหลอกนั่นเองในการละมะสูตรนี้ท่านมีกล่าวไว้ถึงสิบเหตุผลด้วยกันจำจำไม่ได้แล้วลองไปค้นดูเปิดในกูเก l e ดูก็ได้เีย mm hmm. นว่าการละมะสูตร mm hmm. ก็จะมีการสอนของพระพุทธเจ้า อย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างนี้ก็ยังไม่ให้เชื่ออย่าไปเชื่อแม้ว่าเขาเป็นอาจารย์เราก็บางทีก็ไม่ก็ต้องสงสัยบ้างว่าอาจารย์เหล่านี้อาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะพูดไม่ถูกก็ได้ต้องไปพิสูจน์ดูก่อนอันนี้ คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ให้สอนแบบงมงายท่านสอนแล้วให้เราไปพิสูจน์ดูว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี้มีจริงหรือไม่ใครเป็นคนกระทําและใครเป็นผู้รับผลของการกระทําเราต้องมาแยกแยะดูก่อนกฎแห่งกรรมนี้ท่านไม่ได้ดูที่ร่างกายเป็นหลักว่า เพราะผู้ที่กระทำกรรมจริงๆนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คนที่ขับรถนี่เป็นคนขับคนที่ขับรถไปชนคนตายนี้ไม่รถยนต์นี้ไม่มีโทษเนี่ยผู้ที่มีโทษก็คือคนขับเวลาตำรวจจับเขาไม่จับรถยนต์เนี่ยเขาจับคนขับ ว่าจับไปดูว่าขับรถ ด, ด้วยความประมาทหรือเปล่าขับรถ ด, ด้วยความมึนเมาหรือเปล่าจับไปตรวจดูว่าแอลกอฮอล์ว่ามีเท่าไหร่กดแห่งกรรมนี้พูดถึงจิตใจจิตใจเป็นผู้ที่กระทํากรรมต่างๆผ่านทางร่างกายผ่านทางวาจาร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเหมือนปืนนี่เป็นเครื่องมือ ที่เราเอาไปเวลาคนเอาเอาปืนไปฆ่าคนนี้เขาไม่จับปืนไปขังคุกขังตารางเขาจับคนฆ่าคนใช้ปืนไปขังคุกขังตารางกดแห่งกรรมก็เป็นแบบนี้กดแห่งกรรมนี้ไม่ได้ไปลงโทษที่ที่ร่างกายไม่ได้ไปให้รางวัลที่ร่างกายไปให้โทษให้คุณที่จิตใจแต่ร่างกายอาจจะได้ รับผลพลอยได้จากการกระทาของใจ เ, เพราะอยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นผลข้างเคียง อ, อ, อาจจะตกกระไดพอยจรติดร่างแหไปด้วยแต่ตัวที่เป็นตัวโจกจริงๆหัวโจกจริงๆก็คือจิตใจดังนั้นถ้าเราไปดูผลที่ร่างกายเราจะผิดหวัง ว่าเราจะเห็นว่าคนทำบาปเยอะแยะแต่ร่างกายไม่ได้รับโทษเนี่ยแต่ได้รับรางวัลกันโกงกันขอรับชั่นกันกลับล่ำกลับรวยกันเราก็เลยไปคิดว่าออกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีจริงว่ามันถ้ามีจริงคนที่ทําชั่วทําผิดกฎหมายมันต้องถูกจับไปลงโทษกันทุกคนเลย แต่ทําไมมันหนีกันได้หลบหนีกันได้หรือถูกจับก็สามารถที่จะอต่อรองกันได้เพราะนี่ไม่ใช่เป็นตัวตัวที่รับผลที่แท้จริงตัวที่รับผลที่แท้จริงคือจิตใจตัวที่กระทาที่แท้จริงก็คือจิตใจก่อนที่ร่างกายจะพูดจะทําอะไรได้นี่ ต้องให้จิตใจเป็นคนสั่งก่อนสั่งให้ไปขโมยของร่างกายถึงจะไปขโมยของได้สั่งให้ไปทำความดีร่างกายถึงจะไปทำได้แล้วก็พอทำแล้วเนี่ยผลมันเกิดขึ้นทันทีกดแห่งกรรมนี้ไม่ได้ไม่ให้รอมารับรางวัลหรือมารับโทษจากผู้อื่นมันเกิดขึ้นทันทีภายในใจ ทำดีใจมันเย็นสบายมีความสุขทำบาปใจมันร้อนใจมันทุกข์เนี่ยให้ดูตรงนั้นคือนี่คือกฎแห่งกรรมถ้าไปดูที่ร่างกายแล้วมันจะงงจะสับสนคนทำบาปทำผิดกฎหมายแต่กลับได้ดบได้ดีคนทำดีกลับไม่ได้ดบได้ดีกันต้องดูที่จิตใจของคน คนที่ทําดีนี่เขามีความสุขใจเขาเย็ยนใจสบายถึงแม้เขาร่างกายของเขาจะไม่ได้รับรางวัลใจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ใจเขาถ้าเขาทําด้วยใจด้วยด้วยความดีจริงๆคือไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนการทําความดีจริงๆนี่ต้องเป็นการกระทำํำโดยไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้อื่นะ ทำอะไรเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราอันนี้แหละเป็นเป็นผลเป็นกฎแห่งกรรมทำบาปแล้วใจก็ร้อนใจก็ไม่สบายมีความหวาดกลัวกลัวจะถูกจับได้กลัวจะถูกประนามกลัวจะถูกจับไปลงโทษเนี่ยอันนี้อยู่ที่ใจเนี่ย กฎแห่งกรรมนี้ต้องดูที่ใจเป็นหลักถ้าไปดูที่ร่างกายแล้วก็จะไม่ไม่เข้าใจ <Yeah. S 1> เพราะว่าร่างกายนี้บางทีก็ได้รับผลบางทีก็ไม่ได้รับผล <Yeah. S 1> บางทีได้รับผลของบุญหรือของบาปที่ทำมาในอดีตก่อนหน้านี้เราจำไม่ได้แล้วว่าเราไปทำบุญหรือทำบาปอย่างไร บางทีอยู่ดีๆอยู่เฉยๆก็ได้รับรางวัลบ้างได้รับโทษบ้างชีวิตขึ้นๆลงๆบางทีก็จะเรินรุง่งเรืองบางทีก็ถดถอยอย่าไปดูที่ร่างกายอย่าไปดูที่ลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไม่ได้เป็นตัววัด ผลของบุญผลของบาปอย่างแท้จริงต้องดูที่จิตใจถ้าทำบุญทบุญแล้วจิตใจจะเย็นจะสบายถึงแม้จะไม่ได้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขก็ตามแต่ไม่เป็นปัญหาแหละสำหรับผู้ที่ทำความดีจริงๆผู้ที่ทำความดีนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้หวังได้ลาบยศสารเสริญสุข หวังสิ่งที่ได้คือความสุขใจสบายใจอันนี้ถึงจะเรียกว่าเข้าใจกฎแห่งกรรมกดแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายร่างกายนี้เป็นจะเจริญด้วยลาบยศเสริญสุขด้วยการทำบาปก็ได้จเจริญด้วยการทำไม่ทำบาปก็ได้ อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปคนรวยรวยเพราะโกงก็มีรวยเพราะไม่โกงก็มีรวยเพราะทำงานด้วยอาชีพที่ซื่อสัตย์สุดจริตก็มีรวยเพราะทำอาชีพที่ทุจริตก็มีค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนก็มีโกงเขาก็มีมันรวยได้หลายแบบ การเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นได้หลายแบบนะตนายไต่เต้าไปตามาตามวาระทำความดีแล้วก็ได้รับได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไปก็มีบางทีก็ใช้วิธีรัดชื่อกันซื้อตาแหน่ง ก, กันก็มีใจซื้อตาแหน่งก็ได้หรือเอากล่าใจเจ้านายก็ได้ เจ้านายที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ไม่ต้องทำงานก็ได้เพียงแต่ขอให้เจ้านายพอใจรับใช้เจ้านายสอย่างเจ้านายก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ได้แต่จิตใจไม่รู้เป็นยังไงจิตใจนี้มันจะเป็นอัตโนมันึงถึงแม้ว่าจะรวยแต่รวยด้วย การโกงเข้ามาเนี่ยจิตใจมันไม่สงบหรอกจิตใจมันไม่สุขแล้ยจิตใจมันก็จะมีความกังวลอะไรต่างๆของมันไปเพราะเงินที่ได้มามันเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยยิ่งถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นไปทให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายใจมันจะไม่สบายหรอกนั่นมันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าทําความ ทำมากินแบบสุดเจริเนี่รวยด้วยความสุดเจริญนี่ใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ทำด้วยความบาปไม่ได้ทำด้วยการกระทำบาปนี่คือเรื่องของความเชื่อมันต้องเชื่อแบบมีเหตุมีผลเชื่อแบบที่เราพิสูจน์ได้คาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคำสอนที่ท่านให้เราพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเชื่อคือให้เชื่อแบบเชื่อแบบเอาไปพิสูจน์แล้วก็เมื่อพิสูจน์แล้วก็จะหายสงสัยจะเชื่อแบบร้อยเปรเซนต์ตอนต้นอาจจะเชื่อแบบห้าสิบห้าสิบก่อนยังไม่มั่นใจเหมือนกับยาที่หมอให้มาเนี่ยถ้าเราไม่สบายไปหาหมอ หมอให้ยามารับประทานเราจะเชื่อหมอดีหรือไม่เชื่อหมอดีเราก็ยังไม่รู้ว่ายาที่หมอที่ให้เรามานี้จะรักษาให้หายได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องกินยาดูต้องพิสูจน์ดูหมอให้ยามาหมอบอกว่ากินแล้วจะหายเราก็ลองกินดูทึกินแล้วเราก็จะรู้ว่าหายหรือไม่หาย ถ้าไม่หาจะได้รู้ว่าหมอคนนี้ไม่เก่งหมอคนนี้ให้ยาไม่ถูกเออยานี้ไม่ถูกกับโรคออันนี้ถ้าไม่กินก็จะไม่รู้ออถ้าเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อก็ไม่กินก็จะไม่รู้ถ้าเชื่อแล้วลองกินดูก็อาจจะรู้อนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรนี่เราต้องเอาไปพิสูจน์ก่อน เอาไปพิสูจน์ตามว่าดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงแล้วไม่จริงเพร่ะฉนั้นเดี๋ยวเกิดใครเอาของมาให้เราแล้วบอกราคาเท่านี้เท่านั้นเราก็เชื่อเขาเราก็ต้องเอาของนี้ไปให้คนที่เขารู้ประเมินราคาดูก่อนว่าของนี้มีราคาอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเป็นของแท้หรือเป็นของปลอมบางทีเอาทองเก๊มาหลอกเราก็มีเอาเพชรเก๊มาหลอกก็ได้ ถ้าเราไปเชื่อเขาว่าเป็นของจริงแล้วก็ให้เงินเข้าไปแล้วไปไปรู้ทีหลังไปเจอคนที่เขารู้เพชรรูทองเขาดูเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพชรแท้เพชรแกอมันถึงราคามันถึงถูกอันนี้ก็แบบเดียวกันขอให้เราเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเชื่อด้วยคือเชื่อเชื่อเชื่อ เพราะว่ามันพิสูจน์ได้ถ้าเชื่อแบบพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อเพราะโอกาสจะถูกหลอกมันมีมากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราสามารถพิสูจน์ได้ทุกระดับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี่เป็นคำสอนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วด้วยจากพระพุทธเจ้าเอง ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจนั้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงตามระดับขั้นของธรรมที่เราปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมเพื่อดับความทุกข์ต่างๆธรรมเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหรือไม่ แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองรู้ว่าออเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกประการความเชื่อมันก็ต้องมีอยู่เกิดจะไม่เชื่อทุกอย่างเลยก็ไม่ได้ใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ได้แต่เชื่อแล้วก็ต้องอย่าไปเชื่อแบบงมงาเชื่อแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าออ การกระทำแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าแต่ให้เชื่อเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรแล้วจะรอให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานี่มันอาจจะไม่เกิดนะอย่างที่เขาบอกว่าลูกไม่สบายก็ไปมอบให้เป็นลูกของพระเดี๋ยวก็จะได้หายอันนี้มันก็มันไม่มีอะไรพิสูจน์ยืนยันได้ว่าพอไปฝากเป็นลูกของพระแล้วจะเป็นลูกของพระแล้วจะหาย แล้วความจริงก็ไม่ได้เป็นลูกของพระจริงหรอกไปบอกขอไปบอกว่าเป็นขอให้เป็นลูกของพระแล้วก็กลับคืนไปอยู่ดีเห็บางคนมาขอขอมอบขอมอบลูกให้ให้กับพระหน่อยมอบแต่ว่าจะแต่ไม่ได้มอบด้วยกิริยาเอาลูกกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมอย่างนี้นอย่างงี้มันก็ไม่ได้มามอบอยู่ดีมันเป็นการเล่นปาหีใช่ไหม ถ้ามอบก็ต้องยกไปเลยให้มาอยู่วัดเลยอไปเซน็นใบหนังสือม อ, อบฉันทากันเลยว่าต่อไปนี้เด็กคนนี้ไม่ได้เป็นลูกของเราแล้วเป็นลูกของพระแล้วเออพระก็ไม่เอาอยู่เรื่องอะไรอยู่ดีๆจะเอาพระามามาให้ตัวตัวคนเดียวยังเลี้ยงตัวเองไม่ไหวแล้วยังต้องไปเลี้ยงลูกอีกคนอืหนึ่ง วันนี้ก็พูดเรื่องของความเชื่อเชื่อคือให้ฟังแต่ไม่ให้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเชื่อร้อยเอร์เซ็นตก็ต่อเมื่อเกิดผลตามที่เขาพูดถ้าไม่เกิดผลตามที่เขาพูดก็ก็ไม่ต้องเชื่อถ้าเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นความจริง ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วไปถึงนิพพานแ ต, าแต่พอมีใครมาปฏิบัติไ ม, ไม่รู้กี่คนปฏิบัติก็ไม่มีใครไปถึงนิพพานสักคนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะส่องเชื่อพระพุทธเจ้านะแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนที่ให้ปฏิบัตินี้คนที่ฟังแล้วไปปฏิบัตินี้เขาได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ทุกอย่าง พาาระอรหันตสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่มายืนยันเป็นผู้ที่มานับประกันคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงทุกประการถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกประการถ้าอย่างนี้พอมีคนมายืนยันด้วยเหตุด้วยผลนี่ อย่างนี้เราก็พอจะเชื่อกันได้เหมือนกับเราไปรักษากับหมอคนนี้พอมีคนอื่นก้ามาเคยมารักษากับหมอคนนี้บอกหมอคนนี้เก่งรักษาโรคนี้หายได้ใครเป็นโรคนี้มารักษากับหมอนี้เราจะหายบอกใครไปรักษาก็หายกันหายกันอย่างนี้ก็เชื่อได้เพราะว่ามันมีเหตุมีผลแต่ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยัน ไปรักษาแล้วก็ไม่หายกันอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วถึงแม้จะมีคนบอกว่าหมอคนนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่พอไปรักษาแล้วมันไม่หายมันก็แสดงว่ามันไม่จริงตามที่เขาพูดเห็นก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราต้องมีความแน่ใจก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนี้มันเป็นจริง ถ้ายังไม่เป็นจริงเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูก่อนพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเราจะได้เชื่อได้เต็มร้อยถ้าไม่จริงเราก็จะได้ไม่ต้องเชื่อเพราะทำเชื่อในสิ่งที่มันไม่เกิดผลที่เราต้องการมันก็เสียเวลาเปล่าๆ <c oughs> เราต้องการผลเราต้องดูที่ผลเป็นหลักสิ่งที่เขาพูดนี้มันจะให้ผลที่เราต้องการหรือไม่ ถ้ามันไม่ให้เราก็ไม่ต้องไปเชื่อแต่เราจะรู้หรือไม่รู้เราก็ต้องไปพิสูจน์ดู น, นี่คือการปฏิบัติการพิสูจน์คาสอนของพระพุทธเจ้านี่เราสามารถเห็นได้ภายในใจของเราถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจเราจะมีความสงบมากขึ้น มีความสบายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเย็นมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงความวุ่นวายใจจะน้อยลงความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปเลยอันนี้เป็นความจริงความจริงเพราะว่ามีผู้ที่เชื่อ น, นำเอาไปปฏิบัติตาม แล้วก็เห็นได้รับผลแล้วก็มายืนยันมาเป็นคนคอยช่วยสอนช่วยพระพุทธเจ้าสอนอีกทอดหนึ่งคือบรรดาพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่พอท่านปฏิบัติแล้วท่านเห็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจท่านท่านก็มาสอนคนอื่นต่อมาบอกคนอื่นต่อ ถ้าอยากจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงขอให้เรามาชำระใจพยายามกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้มันน้อยลงไปให้มันหมดไปให้ได้เพราะตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่มีความสุขใจก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เองถ้าเราสามารถกำจัดมันได้ความทุกข์ใจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ความสุขใจจีมีเมื่อเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆแลว้วเวทีที่จะกําจัดกิเลสตัณหาก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปกรรมทั้งหลายอย่าไปทำเพราะบาปเป็นของร้อนทําให้ใจร้อนทําให้ใจทุกข์พอไม่ทําบาปใจก็จะไม่ร้อนใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากให้ใจมีความเย็นมีความสุข ก็ต้องทําบุญทาทาสิ่งที่ดีทําบุญกุศลทั้งหลายถึงพร้อมถ้าต้องการให้ใจมีความสงบมีความเย็นสบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจต้องชาระด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนา ต้องถือศีลแปดศีลสิบศิลสองร้อยยิบเจ็ดต้องไปปีกเว้ยเวกอยู่ที่สงบสงดัดอ่าไกายจากแสงสีเสียงอ่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะมาคอยอยั่วยวนกวนใจให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไปอยู่ที่ในป่าในเขารูปเสียงกลิ่นรสของป่าเขานี้จะไม่มี ไม่มากระตุ้นอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นไม่มากระตุ้นให้เกิดความอยากเกิดกิเลสแล้วก็จะทำให้สามารถฝึกสติเพื่อควบคุมใจให้สงบได้ถ้าใจสงบแล้วก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างที่ใจไม่สงบกับสงบว่าเหมือนฟ้ากับดินเหมือนสวรรค์กับนรกรเวลาใจไม่สงบนี้เหมือนนรก ว่าวุ่นขุนมัววุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมาฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ใจสงบลงใจนิ่งสบายเบาอกเบาใจเรื่องวุ่นวายใจต่างๆหายไปหมดเรื่องวิตกกังวลต่างๆหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความสงบเหนือแต่ความสุขเหนือแต่ความเย็นความ เหลือแต่อุเบกขามีความรู้สึกไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรอันนี้เป็นของที่เราพิสูจน์ได้ของที่เรานำเอามาปฏิบัติกันเหมือนการรับประทานอาหารพิสูจน์ได้ว่าถ้ารับประทานอาหารเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวท้องก็ต้องอิ่มแน่นอนอันนี้เหมือนกันถ้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทาบุญหน้าบาปไปเรื่อยๆ ใจจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะสามารถมีแต่เหลือมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไปในใจไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะดูจะฟังจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นจะสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ผ่านทางร่างกาย ก็รู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกาย เ, ออเพราะมีก็ไม่ได้ใช้มันออการที่มีร่างกายก็เพราะต้องการใช้มันเพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายให้ให้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภทภพะนั่นเองใจที่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดภทภพะก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายออออใจที่มีกามะตัญหา ความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระก็จะเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้มันจะเห็นชัดภายในใจของผู้ปฏิบัติเองจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดเหมือนคนที่ติดโุรากับไม่ติดโุรา คนที่ติดบุหรี่ครับไม่ติดบุหรี่นี่เขาจะรู้ภายในใจของเขาเองไม่ต้องไปถามใครว่าอตอนนี้เราติดบุหรี่หรือเปล่าเราติดสุราหรือเปล่าถ้าเรายังสูบอยู่ก็แสดงว่ามันยังติดอยู่ถ้าเรายังดื่มสุราอยู่ก็แสดงว่าเรายังติดอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าติดหรือไม่ติดก็ลองอย่าไปสูบดูสยอย่าไปดื่มดูถ้าไม่ติดมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่ถ้าติดมันจะเดือดร้อนเวลาไม่ได้สูบเวลาไม่ได้ดื่มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่เราจะสามารถพิสูจน์ไ ด, ด้ด้วยตนเองท่านเรียกว่าสันติโกการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจของเรานี่ไม่มีคนอื่นจะมารับรองมาพิสูจน์ได้ว่าเราติดหรือไม่ติดเรานี่ยหลับจะเป็นผู้รับรองตัวเราเองรู้ตัวเองว่า เราติดแล้วไม่ติดเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เราสุขหรือไม่สุขเนี่มันอยู่ในใจของเรามันทุกข์แล้วเรารู้จักวิธีดับทุกข์หรือเปล่าอันนี้เรารู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราหรือเปล่าถ้ารู้เราสามารถหยุดความหยุดต้นเหตุของความทุกข์ใจได้หรือเปล่าน้ำวิธีที่จะทําให้เราหยุด ต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ต้องใช้อะไรหยุดมันมันปฏิบัติไปมันจะรู้เองมันมันจะเข้าใจเองมันเคยทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์กับเขา แต่ถ้าเรายังไปยุ่งกับเขาอยู่เขาเป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาท <ừ. S 1> ี่เราไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเพราะเราเป็นหลงคิดว่าเขาเป็นของเราเ <ừ. S 1> ช่นเป็นแฟนเราเวลาเป็นแฟนเรานี่เราทุกข์กับเขาหมทุกข์ใช่พอเราเลิกกันแนละ้วเราทุกข์หรือเปล่า ừ. พอเราเลิกแล้วเราไม่เถี่ยว่าเขาเป็นแฟนเราแล้ ว, ลวทีนี้เขาจะไปเป็นอะไรอย่างไรทำอะไรกับใครที่ไหนเราก็ไม่ทุกข์กับเขาหอก แต่พอเข้ามาเป็นของเราขึ้นมาปั๊บนี่เราทุกข์เลยเขาจะไปทำอะไรกับใครไปพูดอะไรกับใครหน่อยทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมามก็เพราะเราไปยุ่งกับเขาเองเราไปถือว่าเขาเป็นของเราใช้เหตุผลคิดดูสิความทุกข์ของเราเกิดจากการไปยึดไปถือสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ว่าเป็นของเราเท่านั้นเองอทั้งๆ ท, ที่ความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ก็เพราะว่าทำไมเราถึงรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราก็เพราะเวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาของต่างๆที่เราได้นี้มันเป็นของที่เป็นของในโลกนี้เท่งนั้นเราเพียงแต่ไปไปครอบครองเหมืนเช่นที่ดินเนี่ยมันเป็นของใครที่ดินมันไม่มีเป็นของใครแต่เราก็ไปครอบครองมนแล้วก็ไปถือว่าเป็นของเราพอไปถือว่าเป็นของเราก็ไปวิตกกังวลกับมันนะ แ้วเวลาตายไปมีใครเอาของพวกนี้ไปได้หรือเปล่าของต่างๆที่เราหาที่เราเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราเวลาตายไปมันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่าไม่เป็นะแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ไม่เป็นของเราเราก็ได้ร่างกายนี้มาเป็นสมบัติของเราจากพ่อแม่แล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็เอาร่างกายไปไม่ได้เราก็ทรัพย์สมบัติต่างๆ ที่เราถือว่าเป็นของเราไปไม่ได้เพราะความจริงมันไม่ได้เป็นของเราแต่เรายังไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราอยู่เราก็เลยทุกข์แต่สมบัติอันใดที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเรานี้เรากลับไม่ทุกข์ใช่ไบ้านของคนอื่นเราไม่ทุกข์บ้านคนอื่นไฟไหม้น้าท่วมเราไม่ทุกข์แต่พอบ้านของเรานี้ไฟไหม้น้ำท่วมทุกข์ขึ้นมาทันที เพราะเราไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราถือว่าไม่เป็นของเราเราจะไม่ทุกข์ถ้าอยู่ไม่ได้ก็หาที่อยู่ใหม่ก็เท่านั้นเมื่อก่อนเราก็ไม่มีที่อยู่พอมาเกิดแล้วเราก็มาได้ที่อยู่แล้วเราก็ย้ายที่อยู่ไปบางทีอยู่ที่นี่พักก็ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปยึดไปติด ไม่มีตรงนี้อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่อีกที่นึ่งอยู่ไม่ได้ก็อยู่แบบสุนักไปก่อนก็ได้สุนักมันนอนที่ไหนมันก็นอนได้คนก็เหมือนสุนักมันก็เป็นมีร่างกายเหมือนกันพอมันเหนื่อยจริงๆมันเมื่อยจริงๆมันก็หลับได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็หลับนอนได้นอนใต้สะพานก็มีนอนแถวไปนอนตามวัดก็มี เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราอย่าไปยึดไปถือว่ามันเป็นของเราแล้วเราจะสบายใจมีก็มีไปดูแลไปใช้มันไปแต่ต้องยอมรับสภาพว่าวันดีคืนดีมันอาจจะไม่เป็นของเราก็ได้วันดีคืนดีมันอาจจะหายไปก็ได้วันดีคืนดีมันอาจจะหมดไปก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้นี่คือความเป็นจริงของโลกนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกนี้จะเป็นอย่างวันนี้หรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็กมีเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มีเปลี่ยนไปในทางที่เป็นกลางๆ ก, ก็มีเมื่อเมื่อมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับใจของเราให้รับกับมัน ด้วยการอย่าไปยึดไปถือว่า <luôn. S 1> เราต้องอยู่แบบนั้นเราก็อยู่แบบนี้จะต้องอยู่แบบนี้พ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเราอยู่แบบที่เราอยู่แบบวันนี้ไม่ได้ก็ได้อาจจะต้องไปอยู่อีกแบบหนึ่งก็ได้ <luôn. S 1> เราก็ปรับไปนั้นเองถ้าเราปรับตัวเราได้ปรับใจได้เราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมปรับกันเรายึดติดกันเราเคยมีอะไรเคยกินอย่างไรเคยใช้อย่างไร เราก็จะขอกินอย่างนั้นใช้อย่างนั้นต่อไปแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่สามารถทำให้เราใช้แบบที่เราเคยใช้อยู่ได้อยู่แบบที่เราเคยอยู่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ต่างๆความสําคัญของจิตใจถ้าอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ก็คือการรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับเหตุ ให้เข้ากับความเป็นจริงอย่าไปปรับใจให้อย่าไปปรับความเป็นจริงให้มาเป็นไปตามความอยากเพราะมันอาจจะทําไม่ได้เแต่การปรับใจให้ไปอยู่กับความเป็นจริงนี้มันมันเป็นไปได้มันทําได้ใจเรานี้สามารถปรับให้อยู่ได้ทุกระดับได้ก็อยู่ระดับหนึ่งดาวให้ไปอยู่สองดาวก็ได้ก็อยู่ ถ้าดาวให้กลับลงมาอยู่หนึ่งดาวก็ได้เอมันเป็นเรื่องของการปรับใจเท่านั้นเองความทุกข์ของเราเกิดจากการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งการกินอยู่แบบใดแบบใดแบบหนึ่งพอยึดติดแล้วจะต้องให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆพอไม่พอต้องเปลี่ยนพอต้องลดนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอม รับก็อยู่ไม่ได้บางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถอยู่แบบที่เคยอยู่ได้ต้องมาอยู่แบบที่ที่ไม่อยากจะอยู่เห็นบางคนรู้ว่าจะต้องถูกไปจับติดคุกติดตารางเป็นตลาดชีพก็เลยบางทีก็หนีไปฆ่าตัวตายก็มีเพราะไม่อยากจะไปอยู่ในสภาพแบบนั้น ความอยากไม่อยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา เ, ออเรานเราพยายามอย่าไปมีความอยากไม่อยากกับสิ่งต่างๆออโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องอยู่ด้วยต้องอยู่กับมันให้ได้ออถ้าเราหัดอยู่ให้อยู่กับมันได้เราจะไม่ทุกขออ์ติดคุ ก, กก็ติดคุกออติดคุกมันก็ยังก็ยังมีชีวิตอยู่ออมันก็ยัง มีกินมีนอนมีอะไรอยู่ถ้ามองไปในทางนะั้นในในมุมที่ดีมันก็ดีหลายอย่างเพราะมันก็ไม่ต้องเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอาหารก็ฟรีใช่ไหมอันนี้ก็ถ้ามองแบบนี้มันก็อยู่ได้เหมือนมาอยู่วัดก็เหมือนกัน ม่อยู่วัดก็อาหารก็ฟีใช่ไหมบ้านที่อยู่อาศัยก็ฟรอถ้าอยู่ประจําเออถ้าไม่อยู่ประจําก็ช่วยช่วยสนับสนุนเอให้ให้ช่วยค่าใช้จ่ายตามมีตามเกิดเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าไม่มีจริงๆเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามีแล้วแต่ไม่อยากจ่ายแล้วเสียดายอยันนี้ไม่ควรเพราะว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันในการรักษาให้สิ่งนี้ทำประโยชน์ต่อไปได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดนี้มันไม่ได้เกิดจากาต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาเองมันต้องมีการเสียสละมีการบริจาคเงินทองเพื่อที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าเราอยู่ในฐานะของผู้ที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ เมื่อเรามาอยู่ในสถานที่เหล่านี้เราก็ต้องมีการช่วยสนับสนุนเพราะเราก็มาใช้ประโยชน์ของสถานที่ถ้าเราอยากจะให้สถานที่นี้อยู่ทำประโยชน์ต่อไปทุกคนก็ต้องช่วยกันแต่คนที่อยู่ประจำนี้เขาก็ช่วยอีกแบบหนึ่งเขาก็ช่วยดูแลรักษาเขาไม่มีรายได้เหมือนเราเขาก็เลยไม่ได้ช่วยในทางเงินเดือนอะไรต่างๆ แต่เขาก็ช่วยด้วยการที่ดูแลรักษาสถานที่ให้เป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการหาสถานที่แบบนี้อยู่กันอันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราให้รู้จักปรับตัวเราเองถ้าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพใดถ้าเราปรับใจ ให้อยู่กับมันได้เราก็ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปดิ้นรนไปหนีให้เหน็ดให้เหนื่อ ย, อยบางคนไม่ยอมติดคุกพยายามแหกคุกอยู่เรื่อยๆแหกไปก็เดี๋ยวก็ถูกเขาจับกลับมากลับมาแล้วก็ต้องถูกเขาลงโทษอีกในในฐานที่ไปเอแหกคุกก็ทนอยู่ไปจนกว่ า, าวาระมันจะหมด เขาก็ปล่อยเราออกมาเองถึงเวลาถ้าเราทำตัวเป็นคนดีไม่เป็นปัญหาต่อสถานที่ต่อสถาบันเดี๋ยวเขาก็เห็นว่าเราได้ปรับปรับตัวเราเองให้เป็นคนดีไม่เป็นคนทำอะไรให้เสียหายแก่สังคมเขาก็ปล่อยให้เราออกมาอยู่ในสังคมต่อไปแต่ก็มีบางคนนะที่พอออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ไม่ได้นะ เพราะว่าอยู่ในคุกมันไม่ต้องทําอะไรนอกจากทําตามที่เขาสั่งอยู่ในคุกก็อาจจะมีงานให้ทําบ้างทําอะไรไปแต่เขาก็มีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่ะแต่พอปล่อยออกมานี่ไม่มีใครดูแลเขาแล้วสิต้องไปหางานเองต้องไปหาบ้านเช่าเองแล้วถ้าไม่มีงานทําไม่มีเงินติดตัวออกมาบางทีอยากจะกลับไปอยู่ในคุกต่อ วาบางทีออกมาแล้วถ้าไม่ได้ทํางานนานๆออกมาจากคุกไปหางานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับอีกบางคนออกมาแล้วอยู่ไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีเพราะว่ามันไม่ไม่มีที่ไปอยู่ในคุกยังมีสังคมอยู่ยังมีเพื่อนที่ติดคุกด้วยนั้นชีวิตคนเราบางทีมองดีๆเนะี่ยบางที สิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีมันอมันกลับจะดีกว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีก็ได้บางคนคิดว่าติดคุกไม่ดีคิดว่าออกมาจากคุกเราจะดีกว่าแต่พอออกมาจากคุกแล้วมันไม่มีที่ไปไม่มีไม่มีคนรู้จักไม่มีใครเขาจะมาช่วยเรามาอะไรเราเราก็อยู่ไม่ได้ นอกจากเราต้องรู้จักปรับตัวเองเมื่อเราออกจากคุกเราก็ต้องพยายามไปหางานทาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองต้องหาที่อยู่ต้องอะไรเองก็อยู่ไปตามมีตามเกิดเองต้องปรับไปแตกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าปรับตัวได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้มีความสุขได้ถ้าปรับไม่ได้มันจะทุกข์เพราะความอยาก ที่เราทุกข์ป้ายความอยากอยากให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกข์กันแต่ถ้าเรามองความจริงว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเราก็อยู่กับมันไปมันเป็นอย่างนี้เราก็อยู่อย่างนี้ไปแล้วเราค่อยมาค่อยหาวิธีทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการถ้าทาได้ก็ทาไปถ้าทาไม่ได้ก็อย่าพึ่งไป อย่าเพิ่งไปอยากก็อยู่แบบเก่าไปก่อนอยู่แบบอย่างนี้ไปก่อนตอนนี้เป็นอย่างไรก็ยังอยู่ได้อย่าเพิ่งไปอยากให้ม well ันเป็นอย่างนั้นถ้ายังเป็นไปไม่ได้ไว้ให้มันรู้ว่าเป็นไปได้ก่อนแล้วค่อยไปอยากมันอย่างนี้มันก็จะอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้พยายามหัดปรับตัวเองให้เราอยู่กับสภาพของเราคือปัจจุบัน ปัจจุบันมีรายได้แค่นี้มีรายจ่ายแค่นี้ก็อยู่กมันไปมีที่อยู่แบบนี้ก็อยู่ก่ามันไปมีอาหารแบบมีอาหารแบบนี้กินก็กินกับมันไปถ้าอยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ดูช่องทางดูว่าทำให้มันดีขึ้นได้ไหมถ้ามิทำได้ก็ทำไปแต่แต่อย่าไปยากก่อนให้มันได้ก่อนแล้วค่อยไปอยากแล้วจะได้ไม่เสียใจ ถ้าไปอยากได้ก่อนที่มันได้แล้วพอมันไม่ได้มันจะเสียใจ e. outer. ความทุกข์สุขของเราไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยคนมีน้อยอาจจะมีความสุขมากกว่าคนมีมากก็ได้ถ้าคนมีน้อยเขามีความพอใจกับสภาพที่เขามีอยู่แต่คนที่มีมากกว่ากับไม่พอใจกับสภาพที่เขามีอยู่เขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ยอมรับสภาพของตนเอง เเราหัดมารับสภาพของเราด้กันดีกว่าอย่าไปดิ้นรนถ้ายังไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าทำได้ก็ค่อยทำไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่กับสภาพที่เราเป็นอยู่กันไปก่อนทุกสภาพนี้มันก็ให้เราให้เรามีความสุขได้เพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สภาพมันอยู่ที่ความพอของใจเรา การยอมรับสภาพของเราหรือเปล่าถ้าเรายอมรับสภาพของเราได้เราอยู่ในสภาพไหนเราก็รับมันไปอยู่กับมันไปเราก็มีความสุขในสภาพนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีความพอใจในสภาพนี้มันจะดีหรือไม่ดีมันมันจะรวยหรือจนมันก็ไม่มีความสุขอยดีถ้าเราไม่ยอมรับกับสภาพที่เราเป็นอยู่ บางคน้วยแต่ไม่ยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่เพราะยาังยังอยากจะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขนะฉนั้นขอให้เรามาดูตัวปัญหาที่ทำให้เราสุขเราทุกนี้มันก็คือตัวความอยากหรือตัวความยอมยอมรับกับความเป็นจริง ถ้าเรายอมรับกับความเป็นจริงทำใจให้เราเฉยๆอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมความอยากของเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนความอยากมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจได้ขึ้นมา เพราะโลกนี้มันจึงมีคนไม่สบายใจทุกระดับนะคนรวยไม่สบายใจก็มีคนจนไม่สบายใจก็มีคนเล็กคนน้อยไม่สบายใจก็มีคนใหญ่คนโตไม่สบายใจก็มีเพราะความไม่สบายใจของคนเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้ผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนมันอยู่ที่ความอยากกับความพอนะ ถ้ามีความพอแล้วมันก็จะมีความสุขได้ทุกระดับถ้ามันมีความอยากแล้วมันก็จะมีความทุกข์ได้ทุกระดับเหมือนกันฉะนั้นขอให้เรามาฝึกใจของเราให้มันพอดีกว่าพยายามฝึกใจให้พอหยุดความอยากอย่าให้มันอยากวิธีที่จะทําให้มันพอ ให้แม้มันอยากก็ต้องมาฝึกจิตมาทำสมาธิกันทำใจให้สงบทำใจให้นิง่งแล้วใจมันจะหยุดความอยากชัช่วคราวแล้วมันจะมีความพอชั่วคราวพอมันออกจากสมาธิมาถ้าไม่คอยควบคุมความอยากเดี๋ยวมันก็อยากได้ถ้าอยากจะให้ความอยากมันหายไปก็ต้องสอนใจว่าความอยากนี้ต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอ วิธที่จะทำให้มันพอก็คืออยาอยากไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะมาดึงใจให้เราไปอยากได้นู่นอยากนัานนี่ใจของเราก็จะพอไปตลอดเวลาอนนี่ก็คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่พวกเราสามารถพิสูจน์ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คำสอนของพระเจ้านี้ได้รับการ รับรองมาตลอดระยะเวลา 2,500 กว่าปีแล้วว่าเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลที่จะยังประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ทุกประการนี่นก็ขอให้เราเชื่อรับรองนำมาไปปฏิบัติ ด, ดูวแล้วรับรองได้ว่าจะเป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะ ป, ะ ป, ะปะักปติอิชิตังปัธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพภิติโยวิวาจันโตสรรพโลกวีนสศตุมาเตภวะต้วันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรร ม, มาวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลังนนใครอยากจะถวายข้ามของหรือต้องการหนังสือสีดีก็มาหยิบได้ วันนี้มีหนังสือปฏิภาปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐ า, านมาแจกมาอีกมีญาติโยมที่สนับสนุนพิมพ์แจกอยู่เรื่อยๆก็ใครต้องการก็ไปอ่านได้วิธีปฏิบัติของพระสายหลวงปู่มั่นว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านบรรลุธรรมกันได้อย่างไรถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้ถ้าอ่านแล้วก็รู้รู้แล้วก็จะคิดว่าเราก็อาจจะทําได้เนะี่ย เราก็อาจจะนำไปทำต่อแล้วเราก็อาจจะได้ผลอย่างที่ท่านได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา385ย t u b บ254พิทีวีออนไลน์ Online 26รับฟังข้างบนนี้38คนรวมทั้งหมด703ครับ เดี๋ยวนี้แตะเจ็ดร้อยเกือบทุกวันนะใครมีคำถามไหมถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้พูดใกล้ๆปากหน่อยนะเสีงยงจะได้ดังพระจารย์เจ้าค่ะกลับนอสการ์ค่ะก็คือวิธีปฏิบททัติเจ้าค่ะพูดใกล้ๆม ห, หน่อยวิธีปฏิบททัติเจ้าค่ะ ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมีอาการทางเวทนาเยอะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะถ้าเรายังไม่รู้จักใช้ปัญญาก็ใช้สติไปก่อนคืออย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือคาบริกรรมให้เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมเช่นพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไป ทำกลางความเจ็บปวดของร่างกายปล่อยมันเจ็บปวดไปอย่าไปยุ่งกับมันแล้วความเจ็บปวดจะไม่ทําให้เราทรมานใจเพราะว่าความทรมานใจมันไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวดแต่มันอยู่ที่ใจของเราไปอยากให้มันไม่เจ็บปวดแต่ถ้าเราให้มันบริกรรมมันก็จะไม่สามารถไปอยากให้มันอาการเจ็บปวดหายไปมันก็เลยไม่รู้สึกทรมาน มันก็จะอยู่กับความเจ็บปวดได้บางทีมันจะชอบปรุงแต่งอ่ะเจ้าค่ะว่าต้องหยุดมันไงให้มันปรุงแต่งแต่พุโทโธพุทโธอย่างเดียวเจ้าค่ะอย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งห้ามแม้มันปรุงแต่งเพราะมันจะปรุงแต่งไปทางความอยากพออยากแล้วมันจะทรมานใจ แต่ถ้าเราให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอาจจะต้องให้มันถีหน่อยให้มันเร็วหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอยากมันจะไปคิดถึงความอยากก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจะรู้สึกเบาเลยใจจะเบาขึ้นความหนักปกหนักใจทรมานใจมันจะน้อยลงไปหรือหายไปถึงแม้ความเจ็บปวดของร่างกายยังมีอยู่มันก็ไม่เป็นปัญหาเจ้าค่ะเพราะตัวปัญหามันคือความทรมานใจเจ้าค่ะ ท่าอาจารย์เจ้าขาแล้วเราจะต้องกําหนดว่าเราอยากจะนั่งสมาธิกี่นาทีไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เราถ้าเรามีเวลาจํากัดเราก็ต้องกําหนดเวล า, า, าแต่ถ้าเราไม่มีจํากัดก็เราอย่าไปดูเวลาให้ดูที่สติแทนให้ให้คอยดูว่าเรามีสติหรือเปล่าเวลาเรานั่งเราดูลมหายใจอยู่หรือเปล่าเรากําลังบริกรรมพุทโธอยู่หรือเปล่า อย่าไปดคอยดูนาฬิกาเวลาเมื่อไหร่จะถึงเวลาถ้าดูอย่างนี้มันจะไม่มีวันสงบแต่ถ้ามันอยู่กับสติเดี๋ยวมันสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้ยาวไปเลยแล้วพอเราสงบระยะหนึ่งเราเห็นยิมิดเจ้าค่ะ อ, อ, ยอย่าไปสนใจมแแสงวเข้าาอย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่ลมหายใจต่อ แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นเดินบ้างไหมเจ้าค่ะอ๋อถ้าเรานั่งนานเราเมื่อยเราก็อยถ้าเราอยากจะปฏิบัติต่อเราก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติในท่าเดินต่อใจเราก็ยังปฏิบัติคือเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปหรือดูเท้าต่อไปแทนที่จะ<อ>ดูลมหายใจ อ, อก็คือก้าวขวาซ้ายไปยขวาซ้า ย, าายไปเป้าหมายคือคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้มันคิดอยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุทโธพุทโธไปแล้วเราต้องดูลักษณะความเคลื่อนไหวของเท้าไหมเจ้าค่ะก็ดูตามธรรมดาที่เราเดินธรรมดานี้เราก็ดูว่าจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าจะไปหกล้มหรือเปล่าไปเตะอะไรหรือเปล่าก็ให้ดูแบบนั้นนะเจ้าค่ะมีงูมีสัตว์เลื้อยคานหรือเปล่าอะไรทานองนี้ตอนเดินจงกรมตอนกลางคืนเจ้าค่ะ มันจะชอบปรุงแต่งตัวผีเจ้าค่ ะ, ะก็มีสองวิธีหนึ่งก็ยอมตาย <c oughs> อย่างมากก็ตาย <c oughs> ถ้ายอมตายมันก็หายกลัวถ้าไม่ยอมตายก็ต้องบริกรรมพุทโธอย่าให้ไปคิดถึงผีจะได้ยินเสียงเจ้าค่ะก็อย่าไปให้มันไปสอนอย่าไปปรุงแต่งกับเสียงนั้นเจ้าค่ะให้รู้ว่าจากว่าเป็นแต่เสียง เสียงมันเกิดปั๊บมันแล้วก็ผ่านไปเราอย่าไปปรุงแต่งว่าเสียงนั้นเป็นเสียงผีเสียงคนเสียงอะไรไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เขาไม่ต้องย<จา>ื่นอะไรนั่นพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเจ้ค่ะกร บ, บนามสกัดาค่ะกราบนามสการพระอาจารย์ค่ะค่ะหนูมีคําถามนะคะว่าเอถ้านหนูมีเป้าหมายนะคะเอมีเป้าหมายว่าหนูต้องการตัด ตัดชาติแล้วก็ต้องการเกิดให้น้อยปูนใกลๆปากนั่นไงอ๋อค่ะค่ะหนูต้องการตัดพบตัดชาตินะคะแล้วก็อยากจะเกิดให้น้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหลุดพ้นนะคะในในการเดินทางก็คือจะต้องสะสมบุญใช่ไหมคะต้องตัดกิเลสตัดกิเลสใช่ไหมคะการจะตัดกิเลสก็ต้องใช้บุญเป็นเครื่องมือต้องทําบุญ3าประการทําทานรักษาศีลภาวนาค่ะทีนี้หนูขออนุญาตถามต่อนิดนึงนะคะ ค่ะในการะระหว่างการปฏิบัตินะคะถ้าเราทําทานศีลภาวนานะคะถ้าสมมุติว่าเราทําทานโดยที่การทําทานแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นหนูทําทานโดยที่ใส่บาทปกติกับทําทานทําบุญที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นทําบุญซื้อที่ดินหรือว่าทำบุญถวายสังฆทานนะคะ จะช่วยในเรื่องของการสะสมบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่หรอกสาหรับใจเราบุญเหมือนกันไม่ว่าเราจะไปสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวัดบุญเกิดจากการเสียสละของเรานี่เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างวัดสร้างเจดีย์นี้ไม่เหมือนกันค่ ะ, ะแล้วการสะสมบุญถ้าเราทําบุญแบบธรรมดานี้จะเต็มอ่อใช้ระยะเวลาต่างกันไหมคะ คือการทำบุญแต่ละอย่างมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันการทำบุญทาทานนี้ต้องทำให้หมดคืออย่าเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปใช้ตามกิเลสตัณหา <Okay. S 1> ทุกครั้งที่จะไปซื้อกระเป๋ารองเท้า ท, <Okay. S 1> ที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็อไปทำบุญแทน <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่มีเงินที่จะไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็ไม่ต้องทำบุญทาทาน <Okay. S 1> เงินหมดทาบุญทาทานแล้วก็ไม่ต้องทา เงินที่ต้องเก็บไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องเก็บมันควรส่วนกัน <c oughs> แต่เงินที่เอาไปใช้จ่ายกับกิเลสตัณหานีต้องเอาไปทำบุญให้หมด <c oughs> พอหมดแล้วก็ไม่ต้องทำ <c oughs> ส่วนศีลนี่มันต้องรักษาตลอดเวลาศีลห้าตลอดเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วพอรักษาศีลห้าได้ทุกวันทุกเวลาก็ลองมาหัดถือศีลแปดในวันที่เราหยุดทำงานบ้าง ไปอยู่วัดบ้างไปฝึกภาวนาแบบเต็มรูปแบบคือทั้งวันทั้งคืนบ้างถ้าวันธรรมดาเราทำงานเราอาจจะภาวนาได้ช่วงก่อนนอนหรือหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะทำแบบทั้งวันทั้งคืนก็ไปอยู่วัดในวันหยุดทำงานแล้วก็ไปถือศีลแปนะดนี่กราบนมัสการค่ะ คําถามจากทางบ้านทาง facebook ครับจากคุณสุรส า, าระหว่างขอพรและขออธิษฐานต่างกันอย่างไรครับก็ขอพรก็ไม่ได้พรเพราะพรนี้เป็นเพียงแต่เป็นการแสดงความปรารถนาดีเช่นปีใหม่แล้วก็ส่งสอก็สอขอให้ร่ำให้รวยกันเนาะมันรวยป่ะใช่ไหมอ่ามันเป็นการแสดงความปรารถนาดี น, านั่นเองมันขอ ขอไม่ขอได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มาทําให้เราได้สิ่งที่เขาให้พรเราพรที่เราที่จะได้มันเกิดจากการปฏิบัติของเราเห็นถ้าต้องการพรจริงต้องต้องเกิดต้องได้พรที่เกิดจากการปฏิบัติของเราถ้าเราทําทานักษาศาาาาาาาีลบวนานจิตใจเราจะได้ความสุขความเจริญอย่างแน่ น, นอนโชณธิฐานนี้มีสองความหมาย ความหมายของทางโลกกับของทางธรรมนี่คนละความหมายกันทางโลกทางญาติโยนี้จะแปลควาว่าอธิฐานว่าขอขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้ขอก็ไม่ได้อีกล้เพราะสิ่งต่างๆที่เราต้องการมันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำงั้นคาอธิฐานของทางพระนี่ท่านแปลว่าตั้งใจจจทีกระทา อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราต้องการอันนี้งั้นถ้าต้องการที่จะามาวัดทุกวันก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานกันว่าต่อไปนี้เราจะไปวัดทุกวันถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานเราไม่ตั้งใจพอถึงเวลาเราก็ไม่ไป เพื่อนมาชวนไปที่อื่นเราก็ไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแต่ถ้าเราตั้งใจจะมาวัดทุกวันนี้พอถึงเวลาเราก็จะมาวัดใครจะมาชวนก็ไม่ชวนเราก็บอกว่าเราตั้งใจจะมาวัดเห็นคาว่าตั้งใจความปฏิฐานที่แท้จริงแปลว่าความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจะทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องมีอยู่ที่ว่ามีสัจจะหรือไม่สัจจะก็คือ ผู้จริงทำจริงหรือเปล่าบางทีพูดจริงแต่พูดแล้วแต่ไม่ทำนี่มันก็ไม่เกิดตั้งใจว่าจะมาวัดแต่พอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจว่าไม่มาอดีกว่าไปทำนูน่นทำนี่ดีกว่าอย่างนี้เรียกว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะแต่ถ้ามีสัจจะแล้วตั้งใจจะทำอะไรต้องทำตามที่ตั้งใจไว้อะ นั้นเราต้องต้องมีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานสองคำนี้ไปคู่กันถึงจะำทำได้สำเร็จถึงจะได้ทำตามที่เราต้องการทำได้ทำแล้วแต่สำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความเพียรอีกถ้าทำแบบไม่ขยนันทำแบบขี้เกียจมันก็ยังไม่ได้สำเร็จ ถ้าขี้เกียจทํามันก็อาจจะทําน้อยทํานิดๆหน่อยๆทําพอหอมปากหอมคอทําตามที่ได้อธิษฐานไว้ว่าได้ทําแต่ไม่ได้ทําแบบเต็มที่อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ผลต้องมีวิริยะความภาคเพียนแล้วก็บางทีภาคเพียนไปก็อาจจะภาคเพียนบางจังหวะพอไปเจอจังหวะที่มันยากมันมันลําบากก็อาจจะสู้ไม่ไหวก็ไม่ทําต่อ ถ้าไม่มีขันติก็ไปไม่รอดอีกเนี่ยเห็นการที่เราจะทําอะไรตามที่เราตั้งตั้งใจด้านนี้ต้องมีสี่อย่างมีความตั้งใจคืออาธิฐานมีสัจจะความจริงใจมีวิริยะความภาคเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นสี่มีความอดทนเวลาไปเจออุปสรรคเจอความยากลําบาก ถ้าไม่อดทนก็ยกธงขาวถอยทับกลับก็จะไม่สำเร็จฉะนั้นคำว่าอธิษฐานนี้มีไว้สำหรับเพื่อให้เรามีอะไรมาบังคับให้เราไปทาในสิ่งที่เรามักจะไม่อยากจะทากันเช่นปีใหม่เรามักจะตั้งจิตอธิษฐานว่าปีนี้จะไม่สูบบุหรี่ปีนี้จะไม่กินเหล้า อ, อ, อ, อันนี้เป็นการผูกมัดจิตใจของเราว่า เราไม่ไม่ทำนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ตั้งใจไว้เราก็ถึงเวลานึกอยากจะเวลาอยากจะดื่มก็ดื่มเวลาอยากจะสูบ ก, ก็สูบเพราะเราไม่มีอะไรมามาบังคับใจเราไม่ให้ทำเลยเห็นการอธิษฐานนี้มีไว้เพื่อบังคับใจเราเหมือนกับว่าให้เราไปเซ็นสัญญาว่าจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วถึงเวลาก็ต้องทําตามที่เราเซ็นสัญญาอต่ถ้าเราเป็นคนสับปลับเป็นคนไม่จริงใจพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจไม่เอาไม่มีสัจจะนี้ก็ทําไม่สำเร็จไม่ได้ทาถ้าถ้ามีสัจจะได้ทาแต่ทาแบบไม่ทาแบบไม่ขยนันทําทําแบบเช้าชามเย็นชามบางทีก็ ทำอยู่แต่ไม่ไม่ได้ผลไม่ได้สำเร็จต้องทำแบบเต็มที่สุดๆน้อยเปอร์เซ็นตเรียกว่าภาคเพียนแล้วภาคเพียนแล้วก็ไม่แน่อาจจะไม่สำเร็จถ้าไปเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรเจออะไรที่ทุกข์ยางลาบากก็อาจจะสู้ไม่ไหวไม่ยอมสู้เช่นนั่งนั่งแล้วเจอทุกขเวทนาก็ถอยกลับกันเปลี่ยนนิรยบุตร ถ้าถ้ามีขันเติ ก, ก็ต้องนั่งต่อไปมันจะเจ็บยังไงก็เรื่องของมันเราพุโทโธของเราไปบริกรรมของเราไปอย่างเดียวาาพาคเพลินอยู่กับคำบริกรรมไปอดทนต่อความเจ็บไปเดี๋ยวใจมันจะสงบแล้วมันจะไม่ทรมานความเจ็บไม่หายไม่เป็นไรแต่ความทรมานใจหายไปแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไป ต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเพราะเรารู้จักวิธีสู้กับมันเราไม่ได้สู้ด้วยการจะไปทำให้มันหายเราไปทำให้มันหายไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของความเจ็บมันมาของมันเองเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือความทรมานใจที่เกิดจากความอยากของเราเนี่ยเราหยุดมันได้ด้วยคำบริกรรมคำถามต่อไปจากคุณปิติวัตร เราทําดีแล้วคนรอบข้างดูเราไม่ดีควรทําอย่างไรครับเราก็อย่าไปดูเขาเลยเขาจะดูเราก็เรื่องเขาเราอย่าไปดูเขาก็แล้วกันเราดูความดีของเราแล้วเราจะมีความสุขใจภูมิใจในการทําความดีของเรา เราทำความดีไม่ใช่ทำเพื่อให้คนอื่นเขาดูว่าเราดีนะยังไงเราทำความดีเพื่อให้เรามีความสุขใจจากการทำความดีของเราส่วนอื่นคนอื่นก็จะดูว่าเราดีไม่ดีมันเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสราวุฒผมไม่เข้าใจว่าโดยธรรมชาติของจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรครับถ้าจิตไม่มีการเกิดดับแล้วจะมีจิตได้อย่างไรสุดท้ายทำไมจิต ใจเราต้องพึ่งร่างกายด้วยครับจิตเนี่ยมันมีอยู่จะไมว่ามันไม่มีได้ยังไงคุณทำไมจะต้องทาไมจะต้องมีเกิดมีดับด้วยของบางอย่างมันไม่มีเกิดไม่มีดับก็มีของบางอย่างมีเกิดมีดับก็มีเาฉะนั้นคุณไปเห็นของที่มีเกิดมีดับคนก็เลยไปเหมาว่าของทุกอย่างจะต้องมีเกิดมีดับมันไม่ใช่ในโลกนี้มันไม่ได้มีอย่างเดียวกันเหมือนกันทุกหมดทุกอย่าง มีการเกิดมีการดับก็มีมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนี่มีอยู่หกอันด้วยกันที่เรียกว่าธาตุธาตุหกธาตุหนึ่งก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยสี่ธาตุเนี่ยมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นเน่ยแล้วก็ธาตุที่ห้าก็คือธาตุรู้ก็คือจิตเนี่ยธาตุที่หกก็คืออวบอากาศความว่างเอ ที่เป็นที่ตั้งของธาตุทั้งหกนี่ถ้าไม่มีที่มันจะตั้งได้ไหมถ้าไม่มีที่ให้ดินมันอยู่มันจะอยู่ได้ัหมที่ของดินที่อยู่ของดินน้ำลมไฟก็คืออวกาศหรืออากาศแล้วแต่ว่าจะแปลถ้าแปลเป็นตามภาษาอังกฤษมันจะถูกแปลว่าอวกาศแถ้าแปลว่าเป็นอากาศมันงงอากาศนี่หมายถึงอะไรอากาศแล้วมักจะว่าดินฟ้าอากาศ ลมอะไรอเงี้ยเรียกว่าอากาศแต่ถ้าว่าอวกาศความหมายของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า space space ก็คือความว่างความว่างเนี่ยระหว่างที่เราอยู่ตรงเนี้มันมีความว่างนลถ้าไม่มีที่ว่างเราจะอยู่ได้ไหมสมมติที่ตรงนี้เต็มไปหมดมีของเต็มไปหมดมันก็ไม่มีที่ว่างเนี่ยว่าไม่มีที่ว่างเราจะมานั่งได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟเนี่ยมันจะต้องมีที่ ที่ว่างให้มันอยู่มันถึงจะอยู่มันถึงจะอยู่ได้แล้งก็เลยเรียกอันนี้ที่ว่างนี้ก็เป็นธาตุที่หกแต่ไม่พูดถึงธาตุที่หกก็ได้เพราะมันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวประเด็นสําคัญตัวสําคัญก็คือธาตุทั้งห้านี่ธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยมันมีอยู่ของมันมันไม่เกิดไม่ดับแต่ถ้ามันมาผสมกันแล้วนี่มันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปมารวมกันมันก็กลายเป็นต้นไม้ใบหญ้าถ้าเป็นธาตุสี่ก็ต้นไม้ใบหญ้า ถ้าเป็นธาตุห้าก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในราชานไปเอแล้วเดี๋ยวมันมารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันพอแยกกันแล้วก็เรียกว่ามันดับพอเวลามันมารวมกันแล้วก็เรียกว่ามันเกิดแต่ความจริงมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับมันเพียงแต่มาชุมนุมอย่างญาติโยมตอนนี้เรามาชุมนุมตรงนี้เหมือนกับเรามาเกิดเดี๋ยวพอสี่โมงเราก็แยกกันกลับมันก็ดับไปการประชุมสิ้นสุดลงการประชุมก็มีการเริ่มต้นใช่ไหม เริ่มต้นบ่ายสองโมงเราก็มานั่งตรงนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวพอสบ่ายสี่โมงเราก็แยกกันของต่างๆที่รวมด้วยธาตุก็เป็นการประชุมของธาตุสี่ธาตุห้า น, 4, า น, 5, นี่เวลามาประชุมกันก็มีการเกิดขึ้นมาเวลามีการแยกประชุมกันก็มีการดับไปแต่ไอ้ตัวที่แยกไปมันไม่ดับไอ้ตัวที่มารวมกันมันไม่ดับมันก็ยังเป็นดินน้ำลมไฟอยู่มอนเดิมเข้าใจหมคาถามสุดท้ายเขาไหวไง เขาถามว่าสุดท้ายแล้วทำไมจิตของเราต้องพึ่งร่างกายด้วยครับก็เพราะจิตเรามีความอยากเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดก็ต้องมียาเสพก็ต้องไปหายามาเสพไปเรื่อยๆใจเราก็ติดรูปเสียงกลิ่นรส ทีนี้จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายะมันก็เลยต้องไปมีร่างกายถ้าเราเลิกเสพ ไ, ด, ไ, ไ ด, สด้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเราไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องมีร่างกายคําถามต่อไปจากคุณธงชัย สงสารคนที่เขาอดอยากลำบากกว่าเรามีมากเหลือเกินลูกเป็นแม่ค้าแต่ถ้าเจอแบบที่เขาตกยากอดอยากก็อดสงสารเขาไม่ได้จริงๆบางทีเจอแบบที่หิวโซมาก็ให้เขาเลยไม่คิดเงินอันนี้เขาเรียกว่าทำทานใหม่ครับทำบุญนี่แหละทำบุญทาทานการให้ <c oughs> ก็ต้องเราต้องช่วยเหลือกัน เพราะว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาไปอย่าไปทุกข์กับเขาถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้เราอย่าไปทุกข์เพราะทุกข์ก็ไม่ได้ไปช่วยเขาอยู่ดีกลับมาทําให้เราทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกของอนิจจังไม่มีอะไรที่สม่ําเสมอเหมือนกัน ของคนก็รวยสุดๆบางคนก็จนสุดๆอันนี้เราก็ต้องเถอว่ามันเป็นวิบากของแต่ละคนไปคำถามต่อไปจากคุณสมพรในชีวิตประจำวันเราจะเจริญสมาธิได้อย่างไรดีครับ ก็ฝึกสติก่อนเนี่ยต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุมอย่าให้คิดเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาตื่นมาก็เตรียมตัวไปทํางานนี่เราไม่ต้องคิดได้เข้าห้องน้ําก็ล้างหน้าแปรงฟันไปวิผ้า ว, วีผมอาบน้ําไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปพุโทโธกํากับไปก็ได้ถ้ามันจะคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่คิดก็ให้มันดูข้าเฝ้าดูว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังวีผมก็ ให้ดูการหวีผมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นี่ก็คือการฝึกสมาธิแบบไม่ต้องนั่งฝึกสติก็เรียกวฝึกสติก่อนคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเราทำได้เวลาเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาแล้วก็เะรินสติต่อพุโทโธต่อหรือดูลมหายใจเข้าออกต่อ ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลับนมัส ก, การหลวงพ่อหนูขอกลอนอุบายวิธีแก้ปัญหาคือตะกรนที่มันนอนจมอยู่บัดนี้มันถูกกวนให้ขุนขึ้นมาจากสัญญาความชื่นชอบเดิมกลับมาตอกย้ำความทรงจำหนูพยายามแก้ด้วยพุโทโธสวดมนต์ และฟังธทมตามขั้นตอนแล้วจิตก็ยังไม่สงบนิ่งเหมือนเดิมนั่งสมาธิไม่ได้เลยแต่มีสติรู้ตามทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ไม่เป็นทุกข์พอสัญญานี้เกิดมากระทบอีกก็รีบพุทโธอีก และบอกกับจิตว่าถ้าไม่อยากมาเกิดก็ให้ปล่อยวางมันเสียแล้วก็พุทโธต่อไปตา ม, มที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อมีวิธีใดที่คิดว่าหนูควรทำโปรดเมตตาลูกด้วยเจ้าค่ะก็เปลี่ยนสัญญาใหม่สิเวลามีสัญญาอะไรปรากฏขึ้นมาก็เปลี่ยนให้มันเป็นตายรักเสียอย่าไป อย่าไปคิดว่ามันสวยมันงามมันดีคิดว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่ดีมันเป็นทุกข์อะไรต่างๆที่เราคิดถึงคิดว่ามันเป็นทุกข์พอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปเราจะได้ไม่ไปคิดถึงมันแต่ถ้าเรายังไปคิดว่ามันดีมันเป็นสุขก็ยังจะคิดถึงมันอยู่ยังอยากจะได้มันอยู่มันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนุช ในการทาบุญครบรอบวันเสียชีวิตของบิดามันดานอกจากทาบุญเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ตามปกติแล้วควรมีพิธีกรรมบางสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้มันดาบิดาร่วมด้วยหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าเราต้องการทาตามธรรมเนียมเขาก็ทำกันอย่างนั้น ถ้าเราไม่ต้องการทามาเนียมันก็ไม่ต้องทำก็ได้มันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราทำเนี่ยจะทำในรูปแบบไหนก็ได้ที่ข้บาบังสกุลเพราะสมัยก่อนพระไม่มีผ้าไม่ถวายผ้ากับพระแต่สมัยนี้มันเยอะเหลือเกินมันบงังสกุลกันแทั้งไม่มีที่เก็บผ้าแล้วก็เลย ที่ใครบางสกุลก็ให้ถวายพ้าจีวรมันจะได้ครบปัจจัยสี่ถวายอาหารก็ปัจจัยหนึ่งนะปัจจัยที่สองก็บิญทบาไอจีวรปัจจัยที่สามก็กุตติที่อยู่อาศัยปัจจัยที่สี่ก็ยารักษาโรคทีนี้มันก็ต้องดูวาลาโอกาสว่ามันควรจะถวายอะไร ถ้าไม่ถ้าอยู่ดีๆยังสบายอยู่ไปถวายยามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือถวายยาแบบเดียวกันยาสามัญประจาบ้านคนนี้ก็สวายหนึ่งชุดคนนั้นก็ถวายหนึ่งชุดมีอยู่ห้าร้อยชุดนี่มันจะไปใช่ไหมมันก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องถวายถวายของที่จำเป็นแล้วก็หรืออาจจะถวายให้กับเงินส่วนกลางของวัดไป เผื่อเวลาพระสองฆ์องค์เจ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ให้เบิกจากส่วนกลางของวัดได้ถ้ามีแต่สมัยนี้พระวัดเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาทำว่าเงินใครเงินมันไปใครบินใครรับเงินมาก็เก็บเป็นของตัวไปดูแลตัวเองไป <Yeah. S 1> ก็เลยกลายเป็นจะต้องถวายเงินให้กับพระแทนสิ่งของเพราะบางทีสิ่งของถวายไปก็ไม่ได้ใช้ yeah. ก็เริดว่าถวายเป็นเงินแต่เงินมันก็มีปัญหาได้ถ้าพร ะ, ะควบคุมใจไม่ได้เดี๋ยวก็ไปซื้อของที่ไม่ได้เป็นปัจจัยสี่ได้ไปซื้อปัจจัยห้าปัจจัยหกได้ไปซื้อมือถือไปซื้อรถเก่งเงินก็ได้ถ้ามีเงินมากๆไปซื้อตั๋วเราบินไปนู่นมานี่กันมันก็รายกลายเป็นปัญหาอีกเห็นั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ ก็อยากก็ดูก็แล้วกันว่าคนจะถวายอย่างไรหรือไม่ถวายอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณสรีพรอยากได้นังสือจะทำอย่างไรหิวอยู่ที่สวีเดนค่ะพร้อมที่จะออกค่าส่งเองมีคาไปดาวน์โหลดในนังสือในในเว็บไซต์ได้พระสุชาติ com เนี่ยมีนังสือธรรมะให้ดาวน์โหลดได้อ่านในมือถือได้ คลิกปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บเปิดขึ้นมาดูได้เลยสมไยนี้เราไม่ส่งหนังสือกั น, นละเกือบทุกเล่มเข้าไปในพระสุชาต t com เนี่ยจะมีที่ที่เซ็กชั่นเป็นหนังสือเนี่ยทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ้าไปดูได้แล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยมีไหมในนั้นก็เขียนว่าพระสุชาต dot com น้องก็ไปเดูคำถามต่อไปจากคุณอัญชลีถ้าเราไปทำบุญทำทานแล้วใส่ชื่อของคนที่บ้านด้วยเขาจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าก็ไม่รู้เรื่องล้าเขาไม่ได้สั่งแล้วไม่ได้เป็นเงินของเขาเขาไม่ได้หรอก มันต้องเป็นเงินของเขาเขาต้องสั่งเราบอกให้ช่วยทําบุญหน่อย อ, อแล้วเขาก็จ่ายเงินของเขาให้กับเรามาออถ้าเป็นเงินของเราแล้วทำใส่ชื่อคนนั้นคนนี้เขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้เสียสละอะไรเ อ, อถ้าเราบอกเขาว่าอนุโมทนาเขาก็ได้บุญอนโมทนาแต่ไม่ได้บุญจากการทําทานคนละบุญกันบุญอนุตโมทนาก็คือเขายินดีกับการทําบุญของเราเออ ยินดีกับการทําดีของเราเขาไม่มาต่อต้านเราบางคนในบ้านอาจจะต่อต้านเรา mm. ทาใบไม้เสียเงินเปล่าๆอย่างนี้เขาก็ไม่มีความสุขมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจได้เพราะทำแล้วมีคนกลับมาต่อต้านถ้าเราไม่มั่นใจในบุญเราก็อาจจะลังเลสงสัยได้ว่า เ, เราทาเราทำดีหรือไม่ดี แต่ถ้าก็นุโมทนามันก็ทำให้เราสบายใจเขาก็สบายใจเขาก็มีความสุขคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ลูกมีเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังจะทำงานเสริมช่วงกลางคืนเป็นเด็กเซิฟในร้านอาหารที่มีการขายเหล้าเบียด้วยลูกแนะนำให้เขาไปหางานอื่นทำเพราะเกรงว่าเพื่อนทำงานนี้แล้วจะไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกได้การแนะนำแบบนี้ลูกมีความเห็นที่ถูกต้องไหมเจ้าคะหรือควรแนะนำเขาอย่างไรดีก็แล้วแต่ว่าเขาขอคำแนะนำจากเราหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ขอก็อย่าไปแนะนำดีกว่าถ้าเขาไม่มั่นใจเขาสงสัยก็ถามเราเราก็บอกเขาไปจะดีกว่าเพราะอยู่ดีๆเราอย่าไปสอดอย่าไปไปยุ่งกับชีวิตของเขามากเกินไปเลยเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะทะเลาะ ก, กันก็ได้อย่างถ้าเขาไม่ได้มีความต้องการให้ขอความปรึกษาจากเราเราก็เฉยๆไปหรือถ้าพูดก็พูดในเชิงแบบ ไม่อยาให้เขาสะเทือนใจเขาพูดในทางเป็นกลางๆว่าไปฟังเทศวันนี้มาพระท่านสอนว่าโุลายาวมาวันนี้มันไม่ดีอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่าไปอยู่ใกล้มันก็พูดไปแบบนั้นได้แต่ถ้าจะไปสอนไปบอกเขาโดยตรงนี่เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้เห็นก็ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไม่ คำถามต่อไปจากคุณนรุมนเวลามีปัญหากับลูกไม่เคยระ ง, งับความโกรธได้เลยค่ะควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็คอยมีสติเวลาเจอลูกต้องเตือนด่าต่อไปนี้อย่าไปอย่าไปมีอะไรกันคือวิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธก็คืออย่าไปหวังอะไรจากเขา เก่เขาก็พูดไปธรรมดาเขาจะฟังไม่ฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็อย่าไปหวังเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเราไปพูดอะไรแล้วหวังให้เขาเชื่อหวังให้เขาทาตามที่เราพูดพอเขาไม่ทําเราก็จะโกรธได้เราต้องคอยควบคุมใจเราอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาอย่าไปอยากให้เขาทาอะไรสอนเขาไปบอกเขาไปได้เขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาไปเรามีหน้าที่บอกก็บอกไป ถ้าก็ไม่ยอมฟังก็ไม่ต้องพูดก็จะไม่มีปัญหากันมีปัญหาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีคำถามต่อไปจากคุณสิริพรโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาฟังธรรมะพระท่านพูดสอนเรื่องธรรมโยมฟังแล้วมีความรู้สึกปิติบ่อยครั้งโยมก็ร้องไห้ ความรู้สึกนี้โยมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับโยมเลยเจ้าค่ะก็เป็นอาการของปิติอย่างหนึ่งปิตินี้ขนลุกก็ได้น้ำตาไหลก็ได้ก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ควรที่จะควบคุมมันบ้างพุทโธพุทโธมันบ้างเพราะมันจะมันจะเวอร์เกินไปคำถามต่อไปจากคุณแคน เคยเห็นผู้นั่งสมาธินั่งหลังโคง้งหัวก้มลงสุดแบบนี้เขาได้อาการสมาธิไหมครับสมาธิจากท่านั่งแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับคงไม่ใช่ละมันท่าหลับมากกว่า <c oughs> ถ้ามิถ้านั่งแบบถ้านั่งแบบมีสติมันจะไม่มหัวไม่ก้มหัวอาจจะอาจจะก้มนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับพับลงไป ก็อาจจะร่างกายอาจจะเอียงบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ถึงกับในลักษณะเหมือนแบบคนหลับนะคำถามต่อไปจากคุณอรยาดิฉันได้ตั้งสัจจะมันรักษาทานศีลภาวนาเกือบทุกวันแต่ศีลจะไม่ค่อยครบเจ้าคะ่ะแบบนี้จะได้ผลเครือหนุนอนิสง์ของการปฏิบัติทานศีลภาวนาบ้างไหมเจ้าคะ ก็เป็นปกติของการปฏิบัติเหมือนเด็กอะ่ะเวลาเริ่มหัดเดินมันก็ยังต้องต้องโน้มลุกคุกคานไปก่อนไม่ใช่จะลุกขึ้นมาเดินได้เลยเดินได้สองก้าวอาจจะล้มลงไปแล้วก็คลานไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่การฝึกขัดอะไรต่างๆก็เป็นแบบเดียวกันเวลารักษาศีลใหม่ๆมันจะรักษาแบบให้มันครบถ้วนทุกข้อทุกเวลามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการ ขาดบ้างเกินบ้างก็ขอให้รู้ว่าไหนขาดแล้วก็ให้ระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่ล้มมันก็จะรักษาได้อย่างต่อเนื่องเอาคําถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณนัตกิจอยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ครับความยากลําบากความอดทนและการกระทําต่างๆของพระโพธิสัตว์หรือของพระพุทธเจ้าครับ อนนี้ต้องไปศึกษาเอาเองพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ตั้งจิตจะมุ่งไปสู่พระนิพพานก็เมื่อตั้งจิตมุ่งไปสู่นิพพา น, านก็ต้องปฏิบัติธรรมที่จะทำให้ไปถึงพระนิพพานก็คือการสร้างบา ร, รมีสิบประการทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนขิขธ ม, ม ร, รมบารมีรูเบกขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมี วิริยะบารมีแล้วก็ขันติบารเมีก็จะยากง่ายก็อยู่ที่ว่าจะทำได้ไม่ได้ถ้าบางคนทำได้มันก็ไม่ยากบางคนทำไม่ได้มันก็ยากนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ